ความปรารถนานั้นของข้าพระองค์สําเร็จแล้วข้าพระองค์เห็นพระองค์แล้วนั่นเป็นการเห็นครั้งแรกเนี่ยนะตอนที่เห็นอริยสัจตรัสรู้ตามนะนะแต่ว่าบัดนี้เป็นการเห็นครั้งสุดท้ายต่อไปจะไม่มีการเห็นพระองค์อีกไม่ได้พบปะเจอเจอกันอีกแล้วเนี่ยนะแล้วก็ประคองอัญชลีรุ่งเรืองที่ประชุมด้วยภาษาณขาสโมโธทางเราประชุมเล็บประชุมเล็บประชุมนิ้ว10นิ้ว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 นะคุณลุงชั้นมาแล้วย่าก็ถามมาเดี๋ยวเนี้ยคุณลุงอยู่ไหนล่ะบอกอยู่ใกล้ประตูบ้านก็ถามว่ามาองค์เดียวหรือว่าพิกษุอื่นมาด้วยหลานก็บอกว่ามีพิกษุมาด้วยห้าร้อยรูปย่าก็ถามว่ามาทําไม น, นะย่าเนี่ยแม่คนไม่มีศรัทธานะคนไม่มีศรัทธาบอกโอ้ดีใจลูกมาแบบไม่บอ ก, ม, บอกมาทําไมกันอยางเงี้นหลานก็บอกเรื่องนั้นให้ฟังบอกว่าเนี่ยเขาจะอยากจะมาขอนอนอยู่ห้องน้อยคืนหนึ่งแบบนั้น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 ก็จัดที่อยู่ให้พระพิสุประมาณ500รรูปเสร็จแล้วก็ตามประทีปจุดประทีปอะประทีปน้ามันไว้สำหรับพระเถระต้อนรับพระเถระพระเถระกับพิสุทั้งหลายก็ขึ้นไปยังปราศาสต์เข้าไปสู่ห้องที่เกิดแล้วก็นั่งครั้นแล้วก็ส่งพิสุทั้งหลายไปด้วยกล่าวว่าท่านจงไปยังที่อยู่ของพวกท่านเถิด ภิกษุเหล่านั้นไปแล้วอาพาธก็ได้เกิดขึ้นแก่พระเถระนพระเถระพระสารีบุตรก็ป่วยมากเลยนะความเจ็บปวดก็กำเริบขึ้นโรคลงโลหิตหมายถาว่าอาเจียนออกมาเป็นเลือดถ่ายออกมาเป็นเลือดเป็นเวทนาใกล้ตายผาชนะหนึ่งรองภาชนะหนึ่งชักออกใครว่าโหใครว่าทั้งอาเจียนทั้งเลือดออกมาเลยแหลนะองนั้นนางพรามณีก็คิดว่าความเป็นไปแห่งลูกของเราเนี่ย ไม่เป็นที่ชอบใจของเราอะนะแม่ที่ไหนเนาะจะเห็นจะมีความสุขที่ลูกเป็นอย่างนั้นอ่ะนะก็ยืนพิงประตูอยู่ที่ห้องของตนหลายคนเนี่ยบอกถ้าเห็นลูกเป็นอย่างนี้จะทจําทใจยังไงมันทำใจยากเหมือนกันนะต่อจากนั้นมาท้าวมหาราชทั้งสี่นะเช้าจาตุ ม, มหาราชทั้งสี่ก็ตรวจดูว่าพระธรรมเสนาบดีอยู่ที่ไหนก็รู้ว่าบัดนี้พระเถระเนี่ยนอนอยู่บนเตียงที่ปรินินพานในห้องน้อยที่เกิดในนารกะรรม ท้ามหาราชก็คิดว่าจากไปดูท่านเป็นปัชิมะทัศนะจะไปพบท่านขอเห็นท่านเป็นครั้งสุดท้ายปัชิมะเนี่ยสุดท้ายเหมือนั้นทัศนการเห็นขอดูขอพบขอเห็นเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็พากันมายืนไหว้พระเรัก็ถามว่าท่านเป็นใครเท้ามหาราชก็บอกว่าพวกเราเป็นเท้ามหาราชเจ้าข้าภาษารีบวกก็ถามว่าทาไมมาทาไมก็บอกมาเป็นคีฬานุปถั จะมาขออุปถากต์เหงือนกันจะมาขอบำรุงขอดูแลขอรักษาพระเทระก็ส่งไปว่าช่างเถิดคี้ลานุปถาก ค, คนที่อุปถากเราเนี่ยมีอยู่แล้วไปเถอะกลับไปเถอะไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องห่วงเหมือนกันเท้ามหาราชไปแล้วเท้าส ก, กะก็จอมเทพก็มาโดยนัยะเหมือนกันก็มาจะมาขออุปถากต์พระสารีบุตรบอกไม่ต้องรอพอเท้าส ก, กะไปแล้วเท้าสุยามเหมือนะท้าสุยามเท้าสันดุสิตเท้าสุนิมเท้าสวัสดีก็มากัน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 ตอนที่ป่วยในพรรษาเนี่ยที่ออพระองค์อาภาษหนักที่จริงก็กระโถนหนึ่งกระโถนหนึ่งเข้ากระโถ น, ห น, ถนหนึ่งออกเหมือนกันเท้าสักกะนะ่ามาอุปถาบ ต, ตอนนั้นแต่ว่าเรื่องก็ในในนี้ไม่ได้ยกมากล่าวเล่าละเอียดนะนะถามว่าเมื่อเท้าสักกะสเสด็จกลับไปแล้วแล้วใครสว่างเจ้า ม, มาละลูกนะนะคือในที่สุดเนี่ยนะก็ไล่ไปเทวดาตามลําดับชั้นแล้วพระองค์ก็พระสารีบดีก็บอ ก, ก, บอกแม่ว่าอุบาสิกาผู้นั้นชื่อว่าเท้ามหาพรมเป็นพรมชั้นสุดทาวาธ เป็นทั้งผู้มีบุญคุณเป็นทั้งครูของแม่เจ้าอันนี้ครับ น, นี่ยามาันแบบมหาพรหมสุดยอดเลยนะเท้าพรหมชั้นสุดทาวาดแม่พระสารีบดกระถามต่อไปว่าเจ้าเป็นใหญ่กว่าเท้ามหาพรหมอีกหรือจ้าอุบาสิกาได้ยินว่าในวันที่พระาศาสดา ข, ของเราประสูตธเท้ามหาพรหมทั้งสี่ mm hmm. ชื่อว่าใช้ตะข่ายทองเนี่ยมารับพระมหาบุรุษตอนที่พระโพธิสัตว์ประสูตใช่จำได้ไหมว่า พรหมนี่รับก่อนพรหมรับเสร็จก็ส่งให้เทวดาเทวดาเสร็รับเสร็จมนุษย์ก็รับต่อเนี่ยนะเพราะนั้นพระมหาพรหมเนี่ยใช้ขายทองมารับพระมหาบุรุษจึ่งก็ไม่ได้เล่าให้บอกว่าเท้ามหาพรหมเป็นต้นเหล่านี้ก็ยังมาอาราธนาให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมด้วยนะแต่ไม่ได้กล่าวให้หมดนะนะครั้งนั้นเมื่อนางพรามณีคิดว่าบุตรของเรายังมีอนุภาพถึงเพียงนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นาศาสดาของบุตรของเราเนี่ย จกมีอนุภาพสักเพียงไหนหนามันก็นางพอฟังแล้วโอ้โหขนาดลูกของเรานะทั้งเทวดาชั้นต่างๆก็มากราบมาไหวมาขออุปถากทั้งท้าวมหาพรหมตามลำดับนั้นก็มากันหมดก็โหเนี่ในขนาดลูกเิร็์นะแล้วพระพุทธเจ้าจะขนาดไหนหนอ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 พระคันของพระพุทธมารดาบัต้นสมัยนั้นหมื่นโล ก, กาธาตุก็มีแสงแสงสว่างอันโอฬารล่วงเทวาหนุภาพสว่างถึงโล ก, กันตนานรกแล้วก็หมื่นโล ก, กาธาตุนั้นก็หวั่นไหวตอนที่พระองค์ประสูติจากพระคันพุทธมารดาก็เหมือนกันตอนที่พระองค์ออกมหาพิเนสกรมออกบวชแผ่นดินก็หวั่นไหวตอนที่พระองค์ตรัสรู้อริยสัจตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแผ่นดินก็หวั่นไหว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 ยานหมวด4ของพระองค์ก็คือยานที่กําหนดกําเนิดสีนะกําเนิดสเกิดในคันเกิดในไข่เกิดใ น, นเท่าคลาเกิดเป็นโอปปาติกะเป็นต้นเป็นยานที่กําหนดคติทั้งห้าและกรรมที่นําไปสู่คติห้าพระองค์มีอาสาธารณะยานอีกเจประการแล้วก็พระองค์ขอภัยอาสาธารณะยานหประการพระองค์ยังมียานที่แจ่มแจ้งในโพชงเจ็ดยานที่แจ่มแจ้งในอรยิยมรตมีองแปล ยานที่แจ่มแจ้งในอนุปุปภวิหารสมาบัติก้าทศพลยานสิบเป็นต้นเนี่ยนะพระพุทธยานของพระองค์นั้นไม่มีที่สิ้นสุดหรือแม้กระทั่งวิมุตติยานยาณแห่งความหลุดยานที่หลุดพ้นหรือปัจจเวกขณะยานที่พิจารณามรพิจารณาผลพิจารณากิเลส ท, ที่ละแล้วพิจารณากิเลส ท, ที่เหลือพิจารณานิพพานโดยละเอียดละออกครบถ้วนเพราะฉะนั้นไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนกับ พระพุทธเจ้าเนี่ยนะในเรื่องศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติย า, านทัศนะนนก็พุทธคุณบทว่าอนุตโรเนี่ยนะอนุต t e ไม่มีผู้ใดยิ่งไปกว่าเสร็จ แ, แล้วก็กล่าวพระธรรมเทศนาอันประกอบด้วยพุทธคุณอย่างพิสดารเนี่ยนะก็ในบรรดาคนที่สรรเสริญพระพุทธคุณเนี่ยนะในพุทธศาสนาของเราเนี่ยพระสารีบุตรสรรเสริญมากที่สุดกว้างขวางที่สุด จากพระสูตรต่างๆที่พระสูตรภาษาเรีบยบวกกล่าวสันเสริญพุทธคุณแล้วเนี่ยนะบอกว่าฟังและขนลุกหงันนะไม่ใช่มีสูตรเดียวเนี่ยมีหลายสูตรด้วยกันเช่นสัมปัสสาธนิยสูตรเป็นต้นแล้วก็ในปฏิสัมพิธามมรรคเนี่ยนะภาษารีบยบวกก็กล่าวถึงคุณของพระพุทธเจ้าอย่างกว้างขวางพิสดารและลึกซึ้งอย่างมาก เพราะเหตุอ่ะนะแล้วก็กล่าวแต่ว่า ounded, 1, ทั่วไปก็จะกล่าวว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์เห็นไหมแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้ปกติแล้วถ้าคนที่เจริญอิติปิโสเข้าใจหลักการเนี่ยจะต้องบอกว่าอิติปิโสพัควาอรหังอิติปิโสพัควาสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสพัควาวิชาจารณะสัมปันโนอิติปิโสพัควาอ่ะนะโลก โลกวิทูอิติปิโสภัควาสุขโตอิติปิโสภัควาอนุตโรอิติปิโสภัควาปุริสธรรมมสารถิเป็นต้นเขจะต้องขยายทุกคําอย่างนี้ก็แปลว่าแปลตามหลักก็ต้องแปลว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์แม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้ก็คือแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับอรหันต์ตะุณทั้งหมดแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้ก็แจกแจงรายละเอียดว่าพระองค์เนี่ยเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างไร แจกแจงรายละเอียดทั้งหมดว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าสมบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะเนี่ยนะเช่นมีวิชาเพราะเหตุนี้มีจารณะเพราะเหตุนี้อ่าแบ่งเป็นหมวด2องสามสี 5, ก็ขยายอย่างกว้างขวางหาที่สุดไม่ได้เนี่ยนะแล้วก็แม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้นพระองค์เชื่อว่าสุขโตไปดีแล้วแม้เพระ <laughs> าะเหตุอย่างนี้อย่างนี้ก็คือโดยเหตุโดยประการโดยนิยต่างๆเนี่ยนะอธิบายได้อย่างกว้างขวางว่าพระองค์นี้เสด็จไปดีแล้ว แม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้หมายว่าเพราะเหตุนี้เพราะปัจจัยนี้เพราะความสามารถต่างๆเหล่านี้พระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าพระโลกวิถูผู้รู้แจ้งโลกเนี่ยรู้โลกรู้แบบไหนรู้โดยประการใดๆแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น อ, อนุตตรโภไม่มีผู้ใดมีคุณธรรมยิ่งไปกว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าน่ยนะเป็น